ต่อไปเพึ่งพากันตั้งใจการฝึกตนเนเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปด้วยการกระทำ หมายความว่าความสุขความเจริญทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะการกระทําแม้แต่สิ่งที่ไม่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้ไม่ดอกไม่ผลต่างๆหมงพวกนี้นะที่มันจะมีผล ดกได้มีรสหวานมีสีสันงดงามต่างๆก็ อ, อาศัยที่คนเราใ น, ในตกแต่งอาศัยวิทยาศาสตร์เข้าช่วยประสมประสานกันไปมันถึงได้มีคุณภาพดีขึ้นกว่า กลัวธรรมชาติมันอันนี้เราเห็นได้ชัดๆอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้พากันเข้าใจอคนเรามันก็เหมือน ก, นกันกับธรรมชาติภายนอกกันแหละเหมือนกับไม่ดอกไม่ขนนะถ้าเราจะปล่อยตัวเองให้อยู่ตามธรรมชาติไม่ได้ฝึกตนให้ มีสติมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดขึ้นกัวเก่าเช่นนี้มันมันก็ไม่ดีขึ้นได้ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้แล้วก็ไม่มีความสุขขึ้นกลัวเดิมอ่ความสุขกายก็ต้อง ร, รู้จักรักษาร่างกาย อันนี้สิ่งใดที่มันจะนำโรคภัยไข้เจ็บมาก็อย่าอย่าอย่าไปเอามาใส่มันเพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่โดยเฉพาะเรื่องอาหารถ้าก็แปลอาอาหารสิ่งที่ไม่ถูกกับาธาตุมาหล่อเลี้ยงมันไอ้ร่างกายนี้มันก็ทุดโสมไปง่าย เหมือนอย่างที่เขาใส่ปุ๋ยต้นไม้ ต, ต่างๆว่าน่ะถ้าปุ๋ยที่ไม่ถูกกับเรื่องของมันอ่ะไม้ชนิดนั้นอ่ะมันจะไม่งามขึ้นได้เท่าที่ควรเลยเขายอมมีเครื่องหมายของปุ๋ยว่ปุ๋ยชนิดชนิดนี้ใส่ต้นไม้ชนิดนั้นจึงจะงอกงามปุ๋ยชนิดนี้ใส่ ต้นไม่อย่างนั้นถึงจะได้หมากได้ผลเต็มเห็ดเต็มนุวยเขามีเป็นสูตรเป็นสูตรไว้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลเรานี่จะบำรุงร่างกายให้เป็นปกติ อยู่ได้ก็ต้องรู้จักเลือกอาหารอาหารอันใดมันแสดงกับโรคภัยในร่างกายของตัวเองก็ไม่รับประทานมันมรับประทานแต่อาหารที่มันถูกกันเมื่อรับทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายกับปรี่กับเปรา่าแข็งแรงขึ้นโรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะ อย่างเช่นของเสพติดให้โทษต่างๆมูเนี่ยมันรวนตั้งแต่เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพทางร่างกายทั้งสุขภาพจิตใจด้วยให้เสื่อมโทรมลงไปเช่นนี้ก็ไม่ควรไม่ควรบริโภคมันถ้าบริโภคมาแล้วก็ควรหาหานทางทิ้งมันไป ละมันไปผู้รักชีวิตของตัวเองหวังว่าจะทนุถนอมร่างกายนี้ไว้เพื่อประกอบกุศลคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดในชีวิตนี้อย่างนี้แล้วก็มันจะต้องเว้นสิ่งที่มันให้โทษต่อร่างกายดังกล่าวมานั้นสิ่งใดมันให้คุณก็จึงค่อย บริโภคมันทางจิตใจก็ต้องเลือกอารมณ์ที่ควรระลึกและไม่ควรระลึกอารมณ์ใดที่เมื่อนึกถึงแล้วมันทำให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเราก็ต้องกำหนดละอารมณ์อ น, นั้นอย่าไปส่งเสริมมัน อารมณ์ของจิตเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์นั้นเรื่องนั้นทำให้ราคะเบาบางลงโทสะเบาบางลงโมหะเบาลงต้องมันะระลึกอารมณ์อ น, นั้นบ่อยๆอันกรรมฐานทั้งสองอย่างนะสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน นั่นทัศว่าโดยตรงแล้วก็คือเป็นอารมณ์ของจิตนั่นเองอารมณ์ของจิตทําให้จิตนั้นมีกําลังแห่งความสงบระงับเข้มแข็งขึ้นถ้าได้อารมณ์มนั้นแล้วนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นทําให้จิตเฉลียวฉลาดขึ้นกวัวเดิมนี่พระพุทธเจ้าเท่า น, นทรงรู้ อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทงจัดสรรไว้ให้พุทธบริษัทท้งหลายฝึ ก, กจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ก่อนไปก่อนในเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงหรือว่ายังละอุปท า, านไม่ได้อย่างนี้นะก็ต้องถือเอา กรรมฐานเหล่านี้เป็นอารมณ์พระพุทธองค์ทรงแสดงกรรมฐานไว้สำหรับให้จิตใจนั้นนิดเหนี่ยวเอาเป็นเครื่องอยู่เป็นที่เ ป, ทเป็นที่เพ่งกินิดแทนจิตใจที่คิดไปในอารมณ์ที่น่ารักให้พอใจต่างๆ อันเป็นทางแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่างๆหมดนั้นนะ่ะนี่มันมีอารมณ์ที่เราควรจะเลือกเพ่นในโลกสนิวาสอันนี้นะ่ะแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้คนไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักพิจารณาเพ่งพินิษ์ว่าแต่ เรื่องใดมันเข้ามาสู่มโนทวารรับเอาทั้งนั้นเลยเรื่องที่น่ารักเข้ามาสู่ก็หลงรักหลงใครไปเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมาถึงเข้าก็หลงเกลียดหลงชังไปโกรธไปอย่างนี้นะมันมันมันรู้จักเลือกไม่รู้จกักละคนธรรมดา ท, ทั่วไป ผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและท่านอนบานี้จึงได้มีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้าไปควบคุมจิตไว้ให้มันเลือกคิดตั้งแต่อารมณ์ที่ทำให้กิเลสมันเหือดแห้งไปมันมีอยู่นี่เช่นความรักสวยรักงามอย่างนี้แนตะ่มันมีเป็น เพื้นของจิตใจมาแต่อเนกชาตินูน่นก็เพราะเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ปฏิบัติตามนี่แหละถึงตกเป็นทาตแห่งความรักความใคร่มาในสงสารนีบางทีก็ไปทำบาปกมอันชั่วชาลามมุกเพราะความรักเป็นเหตุทำให้ไปตกนรกอบายภูมิ อยู่มันก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆถ้าระลึกชาติผนหลังได้เราจะรูวว้ว่าชาตินั้นจะไปตกนรกชาตินั้นไปสวรรค์ชาตินั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินั้นไปเกิดเป็นสัตว์ดิบดิษานอะไรอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติหนหลังได้นั้นแหละ อำนาจแห่งการท่องเที่ยวมาในสงสารมันนานแสนนานอารมณ์ของจิตนี่มันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไม่คงที่อารมณ์ของจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมท่านเรียกว่ามโนกรรมเมื่อบุคคลไม่รู้จักเลือกเพ้นแล้วก็กรรมดีก็ทำกรรมชั่วกว็ทําอย่างนี้นะมันก็เลยต้องได้รับผลทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ โเคล้ากกันไปดังนั้นอ่ะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงได้คัดเลือกจัดสรรกรรมฐานอันเป็นข้าศึกแก่กิเลสอันเป็นเครื่องระงับกิเลสให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังและได้จำเอาไปเป็นอารมณ์ของจิตบ่นี้ อสูพะความไม่สวยไม่งามธรรมชาติมันมีอยู่ในกายนี่แล้วแต่อาศัยกิเลสตัณหามันผลักดันจิตใจไม่ให้คิดไม่ให้เพ่งพินิษมันทำให้จิตเพ่งเล็งไปในรูปที่สวยๆงามๆที่โลกเขาสมมุติว่าสวยงามนั่นแหละ ลักษณะของกิเลสตัณหามันจะไม่ยอมให้จิตใจสงบอยู่ภายในได้มันจะปั่นจิตให้อยากให้หิวในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละก็เพราะมันสำคัญว่าสวยว่างามนี่เองนะบันี้เมื่อเรามาเพ่งดูร่างกายอันภายในนี่ เห็นแจ้งประจักษ์ว่าไม่สวยไม่งามแล้วมันก็ต้องเห็นรูปเสียงภายนอกนั่นวะไม่สวยไม่งามเหมือนกันเพราะมันมีสภาพเหมือนกันนี่ไม่แตกต่างกันเลยรูปใดๆก็ดีจะเป็นอิทถีภาวะปุริสภาวะก็ดีเหมือนกันหมด ปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันแล้วก็เป็นอยู่ได้ด้วยอาหารของโศครกโศกปกเหมือนกันดูแต่อาหารอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้นะมันก็โศครกโสกปกอย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วโดยอาศัยที่รับประทานเข้าไปในกระเพาะในท้องแล้ว เอาปอยัยว่าภายในมันต้องหุ้มห่อไว้ไม่ให้ส่งกลิ่นออกมาภายนอกเท่านั้นเองเนี่ยแต่มันก็ส่งออกมาเป็นครั้งเป็นคราวมันส่งออกมาแต่ละทีนั่นก็มีกลิ่นไงไม่สวยงามเลยนั่นเองอย่างนี้แหละความจริงมันมีอย่างนี้แต่ว่าจิตไม่ยอมคิดไม่ยอมรับรู้ ไปดูตั้งแต่ผิวนอกเพ่งดูแต่ผิวนอกแต่การตกแต่งเท่านั้นว่าสวยว่างามหลงสมมุติหลงวัญญัติจิตใจจึงได้แปรปรวนเป็นนักบวชก็บวชอยู่ไปไม่ได้ถ้าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปภายนอก ดึงเอาความรักความใคร่เข้ามาไว้ในใจบวชโยก็บวชไปไม่ได้ต้องซึกออกไปแสวงหาสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจถ้าเป็นคฤหัสน์ก็เป็นคนหลายใจไม่เป็นคนใจเดียวไม่รักเดียวอาศัยตัณหาตนเองไป ส, งส่งเสริมตัณหาให้มากมาย มันจะเกิดความรักขึ้นหลายแง่หลา ย, า ย, ลายมุมรูปเสียงทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเด็กรูปนี่มาชมเชยแล้วเมื่อมองเห็นรูปนี้ชำ้ำรู้ทุตทมไปเห็นรูปใหม่ขึ้นมาใหม่ๆเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอยากได้เนี่พิจารณาดูอ่ะ ความรักความใคร่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆเพราะรูปทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาแล้วรูปนี้เกิดขึ้นมาแปลปนแตกดับไปรูปใหม่เพราะเกิดขึ้นมาแทนเหมือนอย่างหน่อไม้ที่แรกเกิดเมื่อมันเกิดมาที่แรกมันก็ดูสวยงามดีอย่างนี้แหละ ขั้นเมื่อมันเจริญวัยขึ้นไปแล้วมันมีใบมีกิ่งมีขนแขนงออกไปแล้วมันก็ดูไม่สวยไม่งามเยเหมือนยังมอนเป็นหน่ออยู่นานเข้าก็แก่เข้าไปกัดร่วงโรยลงฉันใดรูปกายของคนเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยความจริงมันมีอย่างนี้ แต่ถ้าจิตมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้มันสําคัญอยู่ตรงนี้เองถ้าบุคคลมาเพ่งพินิษพิจารณาค้นหาความจริงของรูปกายอันนี้บ่อยๆอยู่แล้วไอ้ความรู้จริงอย่างว่าในมันก็เกิดขึ้นในใจของผููนั้นเลยว่าเออความจริงของรูปนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่มีอะไรสวยงามเพราะแต่อาหารที่มาหลอเลี้ยงรูปนี้ก็ไม่สวยไม่งามแล้วจะให้รูปนี้มันสวยงามไปได้อย่างไรเมื่ออาหารมันมีกลิ่นเหม็นทิ้งไว้น้ำก็เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะให้รูปนี้มันกลิ่นหอมได้อย่างไงอ่ะก็ะยังว่ารูปกายนี่มันเป็นอยู่ด้วยอาหารอย่าว่าแต่สิ่งที่มีจิต วิญญาณครองเลยสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าทางหลายโเนี่มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารเหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยธาตุีดินน้ำไฟลมอย่างนี้มันก็มีธาตุดินธาตุน้นำเาเป็นอาหารธาตุไฟธาตุลมบนันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงไว้มันจึงค่อยเจริญเติบโตขึ้นได้ และทรงลำต้นไว้ได้รูปร่างกายนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นทฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปปฏิเสธความจริงเหล่านี้เราต้องเอาความจริงมาว่า ก, กันต้องน้อมจิตลงเพื่อรู้ความจริงอย่าไปน้อมจิตไปไปเพื่อ หลงไหลไปตามไอ้เรื่องที่ไม่จริงเพราะเราหลงมามากแล้วนับชาติไปทวนแล้วที่ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่หลงรักหลงชังในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนานประการในโลกสันนิวตัตอันนี้มันหลงกันมาพอแรงแล้วแต่คนลองไม่รู้ตัวที่เฉยดอก ถ้ารู้ตัวได้ตื่นตัวได้แล้วมาทำความเพียนเพ่งพินิษ์เข้าไปภายในก็ย่อมความจริงอนั้นย่อมปรากฏขึ้นเมื่อความจริงปรากฏขึ้นอย่างนั้นมันก็จะเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่มากกอน้อย แถมยังมองเห็นความไม่เที่ยงแค่แน่นอนของร่างกายด้วยไม่ใช่แต่เพราะร่างกายไม่สวยไม่งามนั้นอย่างเดียวทั้งไม่เที่ยงแค่แน่นอนด้วยแต่ถ้าหากว่าร่างกายนี่นะมันไม่สวยไม่งามแต่มันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ยังชั่วนะมันก็ยังไม่ทำให้ จิตใจที่อาศัยอยู่นี่เป็นทุกข์เดือดร้อนเท่าไรนะกเพราะมันยัง่งยืนนี่มันไม่แปรผันไม่แตกไม่ดับเมื่อจิตใจมาอาศัยร่างอันนี้อยู่แล้วมันก็ทำให้อาศัยได้อยู่ไปนานโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็พออยู่พอยินดีกับร่างกายอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะ แต่ว่ากฎธรรมดามันไม่ยอมให้เป็นต้องเข้าใจกฎธรรมดามันน่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งพวงเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาที่นะี่ร่างกายสังขารของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แต่มนุษย์แสัตว์ทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นด้วยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมด้วยแล้วก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้ทำอามตะก่อนนำดวงจิตวิญญาณมาเกิดในรูปอันนี้มาเกิดในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นธาตุของมันดาบิดาผสมประสานกันเข้าไป เรามีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทา ม, มาแต่ก่อนมาตกแต่งตาหูจมูกเล่นกายมือเท้าอวัยวะน้อใหญ่ทั้งหลายให้เกิดเป็นผู้เป็นคนมาส่วนต้นไม้ใบหญ้านั่นมันเกิดด้วยอุธุธาตุคือเมื่อธาตุสี่มันพร้อมกันมีอยู่ตรงไหนในพื้นแผ่นดิน่ะเนี่ย มันก็เกิดขึ้นเลยออแต่ถ้าหากว่าที่ไหนมันธาตุทั้งสี่นี้ไม่พร้อมมันก็เกิดไม่ได้เช่นมีแต่ธาตุ ด, ดินขาดธาตุน้ําอย่างนี้นะมันก็เกิดไม่ได้ <c oughs> อนี่แหละก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยนําให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยดังนั้นการภาวนา พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาสภาวธารมที่ดังกล่าวมานี่ให้เห็นทั้งอย่างรวบรัดทั้งอย่างพิสดารเพราะว่าถ้าพิจารณาโดยรวบรัดมันยังไม่สิ้นสงสัยบางบางทีนะถ้าได้พิจารณาแยกแยะออกไปเปรียบเทียบ กันเข้าไปแล้วอย่างนี้นะมันจึงสิ้นสงสัยถ้าหากว่าการพิจารณารูบรัฐตัดตอนเข้าไปมันสิ้นสงสัยได้พระองค์เจ้าก็จะไม่สั่งสอนให้พุทธบริษัทแยกเนื้ร่างกายสังขารนี่ออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกไปในสติปัฏฐานสนะี่นั่นทรงสอนไปถึงกับว่า เมื่อเมื่อจิตปิญญาณออกจากร่างนี้แล้วเขาก็เอาขึ้นกองไฟเผาเอาไฟไหม้ลงเหลือแต่เท่ากับกระดูกแล้วเอากระดูกนั้นเข้าไปใส่ครกบดตำเอาจนละเอียดเป็นผุ่นเป็นผงไปแล้ววันนี้ก็เอาซัดไปตามลมเลยวันนี้ลมพัดไปหายไปหมดเลย กระดูกก็ไม่เหลือในวันนี้ในจิติปฐานนี่พระองค์เจ้าทรงสอนไว้ให้พิจารณาลงไปให้ถึงกว่านั่นเนี่ยก็เพื่ออะไรนะก็เพื่อจิตใจเห็นว่ารูปทั้งหลายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นก้อนไม่ใช่เป็นของเที่ยงของยั่งยืนอะไร เป็นของแตกของทำลายไปอย่างนั้นเมื่อจิตมันเห็นชัดในรูปส่วนที่เป็นรูปนี่แล้วเมื่อมันเป็นของแตกของดับของทำลายลงไปมันก็ต้องมองเห็นนามธรรมาไปด้วยกันแหละเพราะนามธรรมาอาศัยกายกับจิตนี้สัมผัสถูกต้องกัน มันยังเกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่พร้อมอย่างว่านี้นามธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดรู้กำหนดพิจารณาอย่าพากันปรมารการปฏิบัติ ต, ตามธรรมะคำสอนของพทธเจ้านะ มันเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้จริงๆ เ, เมื่อพิจารณาเห็นละเอียดถี่ท้วนลงไปอย่างนี้แล้วมันก็จะสรุปลงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรถือมัน่นเพราะมันไม่ใช่ของใครใครไม่มีกรรมสิทธิ์อยู่ในรูปในนามนี่เลยส่วนนามธรรม น, นี่เมื่อรูปแตกนามก็ดับ เมื่อจิตอาศัยรูปนี่อยู่ไม่ได้เพราะรูปนี้มันชันลุดเต็มที่แล้วอย่างนี้นะนามธรรมาอันนี้มันก็ดับไปเท่านั้นเองนะแต่ถ้าว่าเราไม่พิจารณาให้มันเห็นทีท่วนอย่างนี้มันก็หลงหลงเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตก็วันไว ทั้งวันไหวทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายทั้งวันไหวด้วยทนได้ยากลําบากอันนี้จิตก็หลงสัญญาเมื่อสัญญาไปจํารูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสอะไรไว้แล้วจิตใจก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามสัญญาอารมณ์เหล่านั้นหลงสังขาร ตนน่ะเป็นผู้คิดขึ้นคือดวงกิดอล้วะคิดถึงเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วจิตก็หลงยินลีหลงยินร้ายไปตามความคิดนั้นอย่างนี้นะหลงวิญญาณอ้าววิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันเกิดความรู้สึกสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ต่างๆเข้าแล้วจิตใจไม่ฉัรัดไม่รู้เท่าก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าในโลกนี้มันมันเป็นโลกของสมมุติสมมุติว่าสวยสมมุติว่าขี้ร้ายสมมุติว่าน่ารักสมมุติว่าน่าเกลียด สมมุติว่าน่าเสียใจเศร้าโศกลำไลต่างๆพวกนี้นะมันสมมุติกันว่าเอาทางนั้นเลยอย่างนี้แหละเมื่อจิตไม่รู้เท่าสมมุติเหล่านี้แล้วจิตมันจึงได้แปรปรวนไปตามลักษณะอาการแห่งอารมณ์เมื่ออารมณ์ที่น่ารักมาถึงเข้าก็หลงรักหลงใคร่ไป เมื่ออารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาถึงเข้าก็หลงรักหลงอารมณ์เกลี่ยดหลงชังไปเมื่อเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจมาถึงเข้าก็เศร้าโศกเสียใจไปจิตใจก็พลิกแพลงไปอยู่อย่างนี้มันมันไม่รู้มันไม่ฉลาดมันไม่ตั้งมัน่นไม่ได้ฝึกให้ตั้งมัน่นมันจึงไม่รู้ความจริง ของสังขารตังางยที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปในโลกสนิวัตอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงของโลกสนิวัตอันนี้นะแม้ว่าจิตวิญญาณดวงนี้นะจะมาเที่ยวอาศัยอยู่ในรูปในโลกอันนี้จะ ก, กี่ดาติ กี่พบก็อยู่อย่างนี้แหละก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ทนยากลำบากก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอยู่เนี้ยจะเกิดมีรูปมีนามอันนี้มากี่ชาติกี่พบอันจะได้จะได้พบกับความสมหวังยั่งยืนตลอดไปไม่มีเลย นั่นแหละเราจะได้พบจากความผิดหวังนะั้เกิดมาในโลกอันนี้นะให้พากันใช้ดุลยพินิจเพจารณาให้มันเห็นตามสภาพความจริงดังกล่าวมานี้แล้วจิตนี้มันจะได้เบื่อหน่ายต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำห น, นัดยินดีเท่านั้นเองเนี่ย พอจิตมันคลายความกำหนัดกินดีออกไปแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเดิมมาน่ะเมื่อ ม, มันลุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคหรือด้วยอํานาจแห่งปัญญาอย่างเนี้ยมันก็ไม่กลับมารักมาใคร่มาเกลียดชังรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นอีกต่อไป ท่านเรียกว่าสมุิเฉตประหารเรียกว่าละได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคการที่มันจะละได้เด็ดขาดอย่างนั้นก็เพราะการเจริญบ่อยๆทำในใจบ่อยๆนี่แหละเนี่ยสำคัญนะพากันเข้าใจไว้ ถ้าไม่ทำในใจบ่อยๆอย่างว่านี่แล้วมันจะละอุปทานนี่ไม่ได้เลยจะหลุดพ้นไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าความรู้นี่เมื่อมันยังไม่ยิ่งแล้วมันจะไม่ละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะละให้ได้ดขาดไม่ได้เลย ดังนั้นเราจึงต้องอบรมปัญญานี้ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับปัญญาในทางธรรมนี่อบรมให้ยิ่งก็โดยการมาพิจารณาธาตุสี่ขันห้านี่แหละให้มากกว่าการพิจารณาสิ่งอื่นปัญญาในทางธรรมมันจึงจะเกิดขึ้นถ้าไราพิจารณานอกจากธาตุสี่ขันห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายนี่ ออกไปแล้วนั่นมันไม่เป็นทางหลุดพ้นได้ถึงจะเบื่อหน่ายได้มันก็หลุดพ้นไปไม่ได้เช่นอย่าไปเห็นคนตายส่งปินเหม็นอย่างนี้มันก็เบื่อจริงเนี่ยในเวลาเห็นอย่างนั้นมันเบื่อคันเบื่อไปไปแล้วมันลืมเสียมันก็กลับยินดีอีกแล้วมันไปนอย่างนั้นไอ้ส่วนร่างกายที่ ตนอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับดวงจิตนี้เสมออยู่การที่เราสัมรวมจิตให้เพ่งพินิษฐ์อยู่บ่อบ่อยอย่างนี้นะมันก็ย่อมรู้เห็นความไม่เที่ยงความโถคบสกปรกความไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้อยู่เสมอเสมอนี่แหละมันจึงเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อนายขึ้นมา เราไม่เปิดช่องให้มันหลงรักหลงใคร่ไปตามความนิยมสมมติของโลกดังกล่าวมานั้นสาคัญอันนี้นะให้พากันเข้าใจไว้มีสติคอยควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันหลงหไลไปตามสมมุติปัญญาตของโลกดังกล่าวมานั่นนะนั่นแต่มันมาเพ่งดูแต่ความจริง เขางร่างกายอันนี้อยู่เสมอเสมออย่างนี้นะนี่แหละเป็นข้อสําคัญนะ่ะอันบุคคลที่ไม่มีความเพียรเพ่งพินิษให้ติดต่อกันอย่างที่ว่ามานี่มันจึงไม่สามารถที่จะละกิเลสล่านี้ให้ขาดไปเด็ดออกไปได้ละได้กับละได้ด้วย อำนาจแห่งสมาธิไปได้ชั่วคราวคดสมาธิในการทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็สงบลงจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ขาดเรื่องมัน่มันอาศัยสมาธิไปทับไว้ท่านอุปมาไว้ในหนังสือวิสุทธิมรรคกันว่าสมาธินี้อุปมา เหมือนอย่างบุคคลเอาเหินจีลาไปทับหญ้าแฝดไว้ตรงที่หินมันทับอยู่นั่นนะหญ้าแฝดเกิดไม่ได้เลยอันนี้พอยกหินจีลาก้อนนั้นออกไปจากที่นั่นแล้วหญ้าแฝดมันจะงอกขึ้นมาที่เดิมนั้นอีกได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อทำใจสงบลงไปไปทับกับกิเลสไว้กิเลสนั่นก็มันกำเริบขึ้นมายังไม่ได้ในในเวลานั้นนะกระดูเหมือนว่าไม่มีกิเลสอยู่ในใจในขณนะนั้นนะ <c oughs> ขั้นพอจิตถอนจากสมาธิออกมาแล้วอย่างนี้กิเลส ท, ที่มันนอนเนื่องอยู่นั้นมันก็ลุกขึ้นมาอีกเมื่อมันได้มา ได้อารมณ์ภายนอกเป็นเพื่อนแล้ว น, นี่มันก็กําเริบขึ้นมาอีกทำใจให้วันไว้ไปหลงไปเหมือนเดิมนั่นอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีสติมีความชำนาญในทางปัญญาอย่างนี้พอจิตถอนจากธรมทธิออกมามันมีอารมณ์กิเลสอันใดมันโผล่ขึ้นมา แล้วกำหนดเพ่งพิจารณาอารมณ์นั้นไม่ไม่ไม่ส่งเสริมไม่จิตปรุงแต่งอารมณ์นั้นให้ยืดยาวออกไปอีกกำหนดพิจารณาลงไปให้มันเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเหมือนเดิมอะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหนีจากไตรลักษณ์นี่ไปไม่ได้เลย มันมีเกิดขึ้นแล้วก็แรปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันมดทุกอย่างเลยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันมันไม่นอกเหนือไปจากนี้หรอกเศรษฐกาดทั้งหลายเพราะกิสัสงขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกสันนิวัตอันนี้แต่ส่วนมากคนไม่มีความเพียร ความเพียรไม่เพียงพอปล่อยให้ความเกียดคร้านความประมาทความเพลิดเพลินเข้าครอบงำจิตใจใจจึงได้เพลินไปในอารมณ์ภายนอกนุ่นบนันนี้ทันเบิดน้อม ส, สติเข้ามาจะมาเพ่งกรรมาฐานภายในเกิดหดหูขึ้นมาแล้วใจเพราะว่ามันไป ช่นมยินดีกับอารมณ์ภายนอกนู่นมากต่อมากแล้วมันมันไปชื่นชมยินดีกับสมมุติว่าสวยว่างามอันนั้นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการที่จะเจริญพระกรรมฐานตามที่พระบรมศาสดาจารย์ทรงแสดงไว้ให้เข้าใจดังนั้นแหละ บุคคลผู้ใดเป็นผู้มีสติสมสัชยะไม่ปลอมาทดสำรวมระวังจิตใจเสมอไปในอริยบททางสี่ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสมสัชยะรู้จิตใจประคองจิตของตนที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนะั่นให้เป็นปกติรู้ปกติเห็น อยู่อย่างนั้นเสมอไปรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปจะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าเกลียดอะไรต่ออะไรก็ตามในโลกอันนี้นะมันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยนี่นะมีสติสัมปชัญญะประคองความรู้สึกอันนี้ให้เห็นเป็น ปกติเลื่อยไปนี่แหละจะทําอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นได้ะระวังอย่าให้จิตมันหลงสมมุติหลงบัญญตัติใจหลงว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอันนี้ขี้ร้ายน่าเกลียดอะไรอย่างงี้อย่าให้มันหลงวีตกไปต้องเพ่งเห็นความเกิดความดับของร่างกายสังขาร น, นี่ด้วย แล้วของนอกร่างกายสังขารนี่ออกไปมันก็มีเกิดมีแปรปวนมีแตกมีดับอยู่อย่างนั้นร่างกายอันนี้มันค่อยแปรปวนไปมันค่อยชดโทมไปทีละน้อยละน้อยอันนี้แหละมันทำให้คนหลงนั่นน่ะมันไม่แปรปวนปุ๊บปั๊บไปทันทีเลย เกิดมาแล้วยังเจริญขึ้นไปก่อนอรรปร่างกายอันนี้แต่ทีแรกก็เป็นเด็กเป็นเล็กตัวน้อยๆนานเข้าก็ได้รับการบำรุงด้วยปัจจัยสี่อย่างว่านะโรคนี้มันก็ค่อยใหญ่ขึ้นค่อยเจริญขึ้นไป <c oughs> อย่างนี้แหละแล้วทำให้คนเรานั้นหลงแล้วบ้านี้เมื่อเจริญขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา ในร่างกายนี่ก็เปลง่งปังเลือดฝาตดก็วิ่งพล่านไปทั่วร่างกายทั่วผิวหนังอันนี้ทำให้เกิดผิวหนังอันนี้พุทผ่องขึ้นมามีน้ำมีนวลขึ้นมามองเห็นแล้วรู้สึกว่าแหมสวยงามจริงอย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วถ้าเพ่งดูด้วยวิปัสสนาญาณ และอย่างนี้มันไม่ใช่อื่อนใดก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีอุปทายรูปรูปละเอียดอาศัยอยู่อย่างว่าสีขาวสีเหลืองสีเหลืองสีดำสีแดงสีกราบอะไรหมดนี้นะมันปรากฏอยู่ในรูปกายอันนี้ น, ะนั่นแหละแล้วก็เสียง อย่างนี้เสียงนี่กระดังออกมาจากรูปนี้เองนะไปอย่างนั้นกรรมมันตกแต่งให้กลิ่นอย่างนี้นะก็อาศัยออกมาจากธาตุสีดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นี่เท่านั้นเองนะรสที่ปรากฏอยู่ที่ลิน้นรับอาหารเข้าไปแล้วก็เกิด รสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสพอดีอะไรอย่างนี้รสมันอย่างนี้นะมันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะรสนี่ก็ดีอาศัยอยู่ที่ลิ้นนี่แต่มันเป็นรูปละเอียดไม่ปรากฏด้วยตารู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยจิต ว่ารสนี้อร่อยดีอย่างนี้รสนี้ไม่อร่อยอย่างนี้นะรู้ด้วยจิตนุ่นคนมันหลงน่ะหลงรูปละเอียดด้วยวะนี่ท่านเรียกว่าอุปทายรูปดังนั้นการเจริญปัฒนาเราต้องพิจารณารูปหยาบแล้วก็พิจารณาถึงรูปละเอียดเข้าไปอย่างนี้ให้มันเจมแจ้งมันจึงไม่หลง สีสันวันนะอย่างนี้นะทำให้คนหลงจริงๆนะดังนั้นเราต้องพิจารณาให้มันชัดเจนถนึงอย่าขอย้ำแล้วย้ำเล่าหอกอสีเหลืองสีขาวสีแดงอะไรมันก็ถ่านน้ำคือโลหิตขาวโลหิตเหลืองโลหิตแดงมันซึมซาบไปในร่างกายนี่นะ มันทำให้เกิดผิวพันธุ์ผุดผ่องขึ้นมาในในผิวหนังอันเนี้ย น, นั่นเเลือดมันวิ่งผ่านอยู่ภายในในหนังอันนั้น น, น่ะันเนีะก็เท่านั้นแหละแล้วพอเห็นเขาแลแ้วแหมตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยคนเรานี่นะถ้าถ้ารูปกายอันใดมันชำรุดทรุดโทรมแล้วเลือดมันจางบอก มันเกิดสูบซีดขึ้นมาอย่างนี้เรามองเห็นแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่รักแล้วเมินหน้าหนีซ้ําไปเลยไม่อยากดูเมื่อเห็นรูปกายของใครมันสูบซีดลงไปอย่างนั้นแล้วไม่ไม่ปรารถนาหรอกนี่มันมันหลงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันหลงความจริงของธสมาวะธาตุเหล่านี้นะไอ้รูปเปลง่งปัง ทั้งหลายเนี่เหล่านั้นเน่ะมีน้ำมีนวลต่างๆวันั้นไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรนานไปมันก็ทำลุกทุดชมไปกับสู้พิสิทอย่างว่านั่นแหละแล้วก็ใครเห็นเขาแล้วก็ไม่ต้องการปรารถนาแล้วอย่างคนแก่คนชราลงไปอย่างนี้นะมองดูแล้วไม่มีส่วนไหนที่น่ายินดีพอใจเลยแต่เมื่อยังหนุ่มยังสาวนี่แหมมองดูแล้วน่ารักน่ายินดีจริงๆ ปลื้มใจถ้าเห็นรูปสวยๆอย่างนั้นเข้ามาแล้วไอ้อย่างนี้แหละจิดตดวงนี้มันหลงสภาวะทาตน์ทั้งหลายดังกล่าวมานิมนต์นับชาติไม่ถ้วนแล้วนนให้สอนใจตัวเองเข้าไปไม่ใช่ว่ามันมาพึ่งมาพบมาเห็นมาหลงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหามีได้แต่ชาติล่างหลังเคืนไปนู้นแม่ไปเกิด เป็นสัตว์สิ่งใดไรฉานมันก็ยังหลงรูปของสัตว์ใดไรฉานเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่แต่เป็นมนุษย์จะมาหลงกันเท่านั้น <c oughs> ดังนั้นน่ะผู้ใดไม่ประมาทมีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนก็สามารถที่จะรู้แจ้งในรูปกายอันนี้ได้ หรือสา ม, มารถรู้แจ้งขั้งรูปทั้งน้ำมาทำดังกล่าวมานี่ได้เมื่อรู้แจ้งแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอย่างว่านี่แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายจริงๆนี่แต่เมื่อใจมันยังหลงอยู่มันถ้าใครเห็นว่าน่ารักน่าพอใจไอ้ความรักกับความชังมันเป็นคู่กันอย่างนั้นแหลพะพอรูปนี่ชำรุดลงแล้วก็เกลียด พอรูปนี่มันเปล่งฟังขึ้นมามันก็เกิดรักขึ้นมามันจะเอาแน่นอนอะไรได้เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แหละพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นนะดนันการที่บุคคลมาฝึกจิตใจ ใ, ให้เข้าถึงความสงบลงได้ห้ามจิตตัวเองได้เหมือนอย่างสารถีผู้ขับรถขับเรือ ขับรถเกวียนต่างๆนี่เมื่อขับไปขับไปรู้ว่ามันจะมีอันตรายกบห้ามรถห้ามเรือเหล่านั้นให้หยุดลงได้อย่างนี้แหละไม่ให้มันฝ่าอันตรายต่างๆเหล่านั้นไปถ้าสารธีใดไม่ฝึกให้จำนี้จำนานในการขับรถกับเรือ อย่างนี้นะก็มักกะพารถเรือนั่นไปล่มไปจมลงไปเสียหายยับเยินทั้งตลอดถึงชีวิตของคนผู้อาศัยนี่เพราะฉะนั้นนะการที่ดวงกีดนี่มันจะได้เสวยทุกข์อยู่ในสงสารอันนี้ ไปสบกับความทุกข์ความยากความลำบากก็เพราะไม่ได้ฝึกตนนี่เองเนี่ยโดยกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนะเพราะไม่ได้ฝึกกายไม่ได้ฝึ ก, กวาจาไม่ได้ฝึกใจนี่ให้ดีให้งามไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเนี่ยเหตุที่จะต้องได้วันไวจะต้องเป็นทุกข์เป็นโศกไ ป, นกปนในโลกสงสารอันนี้ ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเหตุที่จะให้ได้เบียดเบียนกันเป็นเวนต่อกันแลกกันไปในสงสารนี่ก็เพราะไม่ได้ฝึ ก, กจิตใจนี่ให้มีเมตตาธรรมกรุธรรมบังเกิดขึ้นนี่มันขาดคุณธรรมอันนี้มนุษย์อัะสัตทั้งหลายนะ่ะมันถึงได้เบียดเบียนกันถ้าได้บาเพ็ญ คุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจจนเกิดเป็นอริยมรรคอริยผลขึ้นมาจริงๆอย่างนี้นะมันไม่เบียดเบียนใครแล้วดูแต่พระอริยบุคคลทั้งหลายนั่นท่านเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่เบียดเบียนใครเลยปรากฏว่าครั้งวุทิเจ้านะั่น พระสงฆ์สามเณรอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นสองหมื่นอย่างนี้ท่านก็อยู่ได้ต่างคนต่างรู้ธรรมของจริงอยู่ในใจแล้วอย่างนี้มีคุณธรรมอย่างว่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ในใจแล้วอย่างนี้นะมันมันไม่มีการเบียดเบียนใครเลยเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่จะให้เบียดเบียน มองดูรูปใดก็เป็นแต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมมองดูรูปใดก็มีแต่เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นเอาาจะเอารูปที่ไหนแล้วมาให้เกลียดชังมาให้เบียดเบียนอยู่นั้นพอเมื่อมันเห็นสภาวะเอารูปทั้งหลายมันมีแตกมีดับอยู่นั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเบียดเบียนมันทำไมอ่ะนี่ เวลามันยังไม่แตกไม่ทําลายมันก็แปรผันไปอยู่แล้วรูปกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีของสรรพสิ่งทั้งปวงหมดนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้เสมอเสมออย่าไปพิจารณาครั้งเดียวแล้วนึกว่าตนเห็นแล้วก็เล้วไปเลย ไม่ได้เอาใจจดจ่ะไม่ได้เพ่งพินิษต่อเนื่องกันไปอย่างนี้มันมันจะเป็นไปเพื่อคมหลุดพ้นไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจจิตใจอันนี้มันจะหลุดพ้นไปได้ด้วยการพิจารณาของเก่านี้แหละมันหลงมันก็หลงของเก่ามันไม่ใช่ของใหม่นะ ถึงว่ามันเกิดใหม่อย่างนี้มันก็อาศัยธาตุของเก่านั่นแหละให้เกิดขึ้นคนก็ดีสัตว์ก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีอาศัยธาตุดินธาตุด้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่านี่หลงของเก่าเท่านั้นแหละเพราะนั้นจึงว่าต้องพิจารณาบ่อยๆเอาจนว่ามันหายหลงหายเมาหนนหายจริงๆตาเห็นรูปเวลาไหนก็เห็น ก็รูปนั้นมันก็เป็นธรรมดาของรูปนั้นเป็นอย่างนั้นประกอบก็ด้วยธาตุสี่นน้ำไฟลมอย่างนั้นมันมีเกิดแล้วมีดับไปอย่างนั้นเห็นอยู่นั้นตลอดเวลานี่นะเมื่ออย่างนี้แล้วมันก็สิ้นสงสัยแล้วมันจะไปหลงรักหลงชังไม่มีนั่นแต่นี่มันไม่มไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่จเจริญไม่จเจริญให้มากไม่ทําให้มากนะ เวลามันเจริญให้มากอยู่นั้นมันก็ไม่หลงแล้วพอเวลามันเผลอเข้าไปไม่ได้เจริญกรรมาฐานอย่างว่านี้เดี๋ยวมันก็ไปเห็นรูปเสียงเราท่า น, นสวยงามเหมือนเดิมอีกแล้วนี่และมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องมันนะและจึงว่าสรุปใจความลงและจึงว่ามันบกพ้่องอยู่ที่การกระทําให้มากเจริญให้มาก เมื่อทําให้มากการเรียนให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกําหนัดยินดีเพื่อวีมุติคือความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ภายในวาตฏจักรงสารดังแสดงมา